จึงได้ใช้เวลาวานนี้ให้เกิดคุณกดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนเองด้วยการมาวัดเพื่อมาปลูกฝังมาสร้างความดีเพื่อจะได้เป็นคนดีเพราะความดีนั้นนำความสุขมาให้และความดีเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาตามแนวทางที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระกรุณนประเสริฐทรงสอนให้เสริมสร้างคุณธรรมที่จะทำให้คนเราเป็นคนดีนั้นทรงตัดไว้ว่ามีอยู่สี่ประการด้วยกันคือ นความเมตตา 2. ความกรุณา 3. ม, มุดิตา 4. อุเบกขานี่คือคุณธรรมที่เราควรที่จะมีไว้ในชีวิตในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้ใช้คุณธรรมเหล่านี้ตามเหตุการณ์ ที่สมควรที่จะใช้ความเมตตานี้หมายถึงความมีจิตปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความคิดร้ายต่อผู้อื่นไม่ถึงแม้ว่าจะถูกทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆ ก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองคือให้มีความเมตตาให้อภัยต่อผู้ที่ทำร้ายผู้ที่ไม่ปรารถนาดีต่อเราดังในบทสวดที่ให้เจริญสัพเพสัตตาเอาเวราหุนตุ คือการไม่มีเวรต่อกันและกันคือไม่ว่าใครจะทำอย่างไรเราจะไม่อาคตาพยาบาทเราจะไม่จองเวรจองกรรมแต่เราจะให้อภัยเพราะเป็นการกระทําที่จะตัดปัญหาต่างๆได้ตัดเวรตัดกรรมต่างๆที่จะตามมาได้ถ้าเราไป ตอบโตเขาทำร้ายเราเราก็ไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราอีกแล้วก็จะทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาจนถึงแก่ชีวิตแล้วก็เวลาไปเกิดในภพต่อไปไปเจอกันอีกก็จะทำร้ายกันกไม่มีวันสิ้นสุดองอย่างพระบรมศาสดา ระทรงมีคู่กรรมก็คือพระเทวทัตที่เคยมีปัญหาต่อกันมาในแต่ละภพในแต่ละชาติแม้จนถึงชาติพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ยังตามมาจองเวรจองกรรมพยายามปลงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันแต่เนื่องจากภาพบารมีของพระเบรมศาสดา ที่ใช้ความเมตตาใช้อุเบกขาใช้ปัญญาในการร <c> ะ <oughs> ง, งับเวรระงับงกรรมต่างๆจึงทำให้พระองค์ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมอีกต่อไปอย่างเวลาที่พระเทวทัตจ้างให้คนมาร้งพระชน ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระ อ, องค์ทรงพบกับคนที่จะมาตวงพระชนก็ทรงตัดถามเขาว่ามาทําไมเขาบอกว่าจะมาฆ่าพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็ทรงสอนว่าการฆ่าผู้อื่นนี้เป็นบาปเป็นกรรมตายไปแล้วจะต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมในอบายต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างหรือต้องไปตกนรกบ้าง เพราะผู้กระทำนั้นไม่ใช่ร่างกายผู้กระทำคือใจใจนี้เป็นนามธรรมนามธรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกทำลายได้คือมีแต่ร่างกายที่จะถูกทำลายแต่ใจนี้เมื่อร่างกายตายแล้วก็จะแยกออกจากกัน แล้วก็ไปเกิดในภพใหม่ต่อไปไปสูงไปต่ำก็อยู่ที่บุญที่กรรมถ้าทำกรรมเอาไว้ก็ต้องไปชดใช้กรรมในอบายเ <c oughs> ช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรกดังนั้นการทำบาปในปัจจุบันถึงแม้จะได้อะไรเป็นผลตอบแทนเช่นได้ค่าจ้างมาเพื่อค่าผู้อื่น แต่ค่าจ้างที่ได้มานี้มันไม่คุ้มค่ากับโทษที่จะต้องตามไปใช้ต่อไปในพบหน้านั่นเอง เ, เมื่อทรงสอนเขาแล้วเขาก็เลยกลับใจไม่ตรงพระชนพระองนี่คือการใช้ปัญญาใช้ธรรมะเข้าไปรังรับปัญหาได้ถ้าเขาเชื่อฟัง อีกครณีหนึ่งก็พทพเทปทาสก็ปล่อยช้างให้มาเพื่อจะได้ทำร้ายพระองค์แต่พอช้างเข้าถึงพระองค์ใกล้ถึงพระองค์พระองค์ก็ทรงแผ่พระเมตตาช้างก็ไม่ทำร้ายพระองค์เพราะทรงไม่มีการกระทาอะไรที่จะทำให้ช้างคิดว่าเป็นภัยอันตรายกับช้างนั่นเอง เมื่อช้างไม่มีอะไรที่จะมาทำอันตรายเขาเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำร้ายผู้อื่น<ม>นี่ก็คือการใช้พระเมตตาอีกกรณีหนึ่งก็พระเทวทัตก็ขึ้นไปบนภูเขาแล้วรอให้พระพุทธเจ้าทรงเสเด็จผ่านมาแล้วก็กลิ้งก้อนเห็นลงมา เพื่อหวังให้ทับพระองค์ให้ถึงแก่ชีวิตก้อนเห็นนั้นก็ไม่ได้เพิ่มมาทับพะองค์แต่พระองค์ก็ไม่ได้โกรธมีความโกรธเกลียดอาฆาตปรรยาบาทอย่ังไงทรงทำพระทยให้เป็นอุเบกขาคือตรงว่ามันเป็นเรื่องของกรรมคนเราเกิดมาทุกคนเคยทำบุญทํากรรมกันมาก็ต้องมีวิบาก ข, ของบุญและของกรรมต่างมา แต่การที่เราจะไปทำร้ายผู้อื่นหรือเพื่อป้องกันตัวเราเองก็ดีหรือเพื่อชำระความแค้นก็ดีไม่ได้เป็นวิธีที่จะตัดเวรตัดกรรมแต่จะกลับเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้มีมากขึ้น mm hmm. ก็เราก็ต้องใช้อุบเบกขาทำใจให้เป็นปกติ อะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญของกรรมไปถ้าเป็นกรรมของเราที่จะต้องตายไปก็ถือว่าจบไม่ว่าจะจบวันนี้หรือพรุ่งนี้ชีวิตของเราก็ต้องจบอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่เราจะจบแบบไหนจบแบบกำไรหรือจบแบบขาดทุนถ้าจบแบบกำไรก็คือเราไม่ทำบาปเราทำแต่บุญ ตายไปเราก็จะได้ไปรับผลของบุญผู้ที่ทำบุญนั้นก็ไปสู่สุขติไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาฐานะการเงินการทองสติปัญญาความรู้ความฉลาดก็จะดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นถ้าเราตายแล้วตายแบบกําไรก็จะดีกว่าตายแบบขัดทุนตายแบบขัดทุนก็คือเราไปทำร้ายผู้อื่นเช่นเราป้องกันชีวิตของเราด้วยการเป็นทำร้ายผู้อื่นหรือเราอดยาขายแครนไม่มีอาหารเราก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยิงนกตกปลาเพื่อให้ได้อาหารมารับประทานแล้วเพื่อเราจะได้ดูต่อไป อย่างนี้เรียกว่าอยู่แบบขาดทุนว่าเราอยู่แบบทําเวรทํากรรมแล้วเมื่อตายไปเราก็ต้องไปชดใช้เวรใช้กรรมต่อไปอย่าไปคิดว่าพอเราตายแล้วเวรกรรมจะไม่สามารถตามมาได้เพราะเราคิดว่าเรามีเพียงส่วนร่างกายนี้เท่านั้นแต่ความจริงเรามีอีกส่วนหนึ่งก็คือใจของเราเหมือนกับต้นไม้ เราเห็นแต่เฉพาะส่วนที่อยู่บนดินเราไม่เห็นส่วนที่อยู่ใต้ดินคือรากของต้นไม้ถึงแม้เราจะตัดต้นไม้ทิ้งไปถ้ารากยังมีอยู่ในดินต้นไม้ก็ยังจะเลาะยังยังจะงอกขึ้นมาได้อยู่ฉันใดร่างกายกับใจก็เป็นอย่างนั้นร่างกายก็เป็นส่วนที่เรามองเห็นแต่ใจนี้ซึ่งเป็นเหมือนรากของต้นไม้นี้เรามองไม่เห็นและ เมื่อร่างกายนี้ตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ก็เลยงอกขึ้นมาใหม่ไปเกิดใหม่ไม่ได้ร่างกายอันใหม่มาแล้วก็ได้มาตามบุญตามกรรมที่ทำมาพวกเราที่เกิดมาจึงมีความแตกต่างกันทางรูปร่างหน้าตาทางสติปัญญาทางฐานะการเงินการทอง ก็เนื่องจากบุญกรรมที่เราได้สร้างมาในอนดีตชาตินั้นมีความแตกต่างกันนั่นเองเราจึงมีความแตกต่างกันในชาตินี้บางคนเกิดมาก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสบางคนก็ไม่สวยงามไ ม, ไม่มีผิวพรรณผ่องใสบางคนก็มีอาการครบ32บางคนก็เป็นคนพิการพิการไม่มีอาการครบสา บางคนก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาบางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นความแตกต่างเหล่านี้เป็นเรื่องของบุญของกรรมที่เราได้เคยทำมาในอดีตดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะพบกับอนาคตที่ไม่ดี เราก็อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมขอให้เราสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยการปลูกฝังคุณธรรมความดีคือความเมตตาให้มีอยู่ในใจของเราเมื่อเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะให้อภัยได้เวลาที่ผู้อื่นล่วงเกินหรือทำร้ายเราแล้วเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนทำร้ายชีวิตของผู้อื่น นี่ก็เป็นเรื่องของความเมตตาส่วนความกรุณาก็คือให้มีความสงสารต่อความทุกข์ยากของผู้อื่นเวลาเราเห็นผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเป็นพระหรือเป็นคารวาเป็นใครก็ได้เป็นหญิงเป็นชายถ้าเห็นว่าเขาเดือดร้อน พอเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ควรที่จะช่วยเหลือกันถ้าเขาขาดอาหารเราก็หาอาหารให้เขารับประทานขาดยาก็หายาให้รับประทานถ้าต้องการไปหาหมอไปโรงพยาบาลพอที่จะพาไปได้ก็พาไปนี่คือการมีความกรุณาคือเราต้องคิดว่า เราเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในโลกนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นพี่เป็นน้องกันและเราก็อาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้สักวันหนึ่งเพราะเราอยู่ในโลกที่เราที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนและเราอยู่ในโลกที่เรายังต้องใช้บุญใช้กรรมกันอยู่วันนี้เราอาจจะมีฐานะดีเพราะเนื่องจากเป็นวิบาก เกิดเป็นผลของบุญที่เราได้ทำมาแต่ในอนาคตเราอาจจะต้องใช้กรรมก็ได้มีวิบากกรรมเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบุญแต่ถ้าเราได้เคยช่วยเหลือผู้อื่นไว้ผู้อื่นที่ได้รับการช่วยเหลือเหล่านี้เขาย่อมคิดถึงเราและถ้าเขามีโอกาสที่พอจะช่วยเหลือเราได้ เขาก็ต้องมีความยินดีที่จะช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนอดังนั้นการที่เราได้ช่วยเหลือผู้นี้เป็นการกระทาที่ไม่ขาดทุนได้กำไรอย่างน้อยที่สุดก็ได้ความสุขใจเวลาเราเห็นใครเดือดร้อนแล้วเราช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาได้มันจะทําให้เรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ และเราจะเป็นคนดีเป็นคนที่น่านับถือน่าเคารพเลื่อบใสเช่นพระบรมศาสดาของพวกเราทรงมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวงต่อสัตว์โลกพระองค์ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสรูลแล้วบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกด้วยการสั่งสอนสัตว์โลก ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตลอดระยะเวลา45พรรษาด้วยกันพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์เลยเนื่องจากว่าพระองค์ได้ทำส่วนของพระองค์นั้นสมบูรณ์แล้วหรือคือหลังจากที่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระทัยของพระองค์นี้ทรงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข ไม่มีความหิวไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไปพระองค์จึงมีเวลาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ภารกิจของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำอยู่ทุกวันนั้นมีอยู่ห้าภารกิจด้วยกันแล้วก็เป็นภารกิจที่สงเคราะห์ผู้อื่นทำนั้นเช่นในยามบ่าย ก็ทรงอบรมสั่งสอนคารวาดญาติโยมในยามค่ำก็ทรงอบรมสั่งสอนภิกษุสา ม, มเณรและในยามดึกก็ทรงสั่งสอนเทวดาตอนใกล้สว่างก่อนจะทรงเสด็จออกบินทบาก็ทรงเลียญาณดูว่าวันนี้สมควรที่จะไปโปรดผู้ใด ผู้ใดมีจิตใจพร้อมที่จะรับพระธรรมคำสอนเพื่อบรรลุธรรมพระองค์ก็จะส่งมุ่งไปโปรดคนนั้นก่อนแล้วพอสว่างก็ส่งออกบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ เป็นการแผ่ความกรุณาให้แก่สัตว์โลกโปรดสัตว์โลกทำให้สัตว์โลกนี้ได้รับประโยชน์จากพระ อ, องค์เป็นจำนวนมากมีพระอรหันต์ผู้ที่สามารถยกจิตใจของตนให้เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้สามารถยกจิตใจของตนให้ออกจากวัตจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีเป็นจำนวนมากนี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกด้วยการให้ธรรมะแก่สัตว์โลกเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะพระองค์ทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี้เท่านั้น ที่จะทำให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกได้ให้อย่างอื่นก็เพียงแต่ช่วยบรรเทาความทุกไปเป็นระยะระยะเทนั้นเช่นให้อาหารแก่ผู้อื่นก็ช่วยบรรเทาความความหิวอาหารได้ไประยะหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกขทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกได้ เพราะความทุกนี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆและไม่มีอะไรที่จะชำะ่ำระความโลภความโกรธความหลงและตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจของสารโลกได้นอกจากธรรมะคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระธรรมคําสอนจึงมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลก เราให้เงินให้ทองแก่ผู้อื่นต่อให้เป็นจำนวนร้อยล้านพันล้านมันก็ยังไม่สามารถไปดับความทุกข์ของเขาภายในใจได้ยังไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องจากกะให้เขาไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าให้ธรรมะกับเขาแล้วเขาสามารถนำเอาไปชาระความโลภความโกรธความหลงชาระตัณหาความอยากต่าง ที่เป็นสมุทยัยคือต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใครให้อะไรแก่ใครถ้าเราสามารถให้ธรรมะได้เราก็ควรจะให้แต่ก็ต้องดูว่าผู้ที่จะรับนั้นเขาพร้อมที่จะรับหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ควรที่จะยัดเยียดให้กับเขาเพราะจะ ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านเปียมเหมือนกับเวลาที่เราสาดน้ำใส่หลังสุนัขสุนัขมันก็จะสลัดน้ำทิ้งไปหมดฉันใดบุคคลที่ยังไม่พร้อมที่จะรับธรรมะคำสอนที่ดีคือเวลาเราจะสอนลูกเราหรือสอนใครก็ตามเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคนโทษเรื่องดีเรื่องชั่ว แต่ถ้าเขาไม่ยินดีเขาไม่ปรารถนาก็อย่าไปเสียเวลาพูดไปก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเขาจะไม่ปฏิบัติตามเราเช่นเห็นคนเขาเสพสุรายาเมาเราไ ป, ไปห้ามเขาหรือไปบอกเขาว่าอย่าดื่มสุราเลยมันเป็นโทษถ้าเขาไม่พร้อมที่จะรับฟัง พูดครั้งเดียวแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้เราก็อย่าไปพูดซ้ำซากให้เสียเวลาเพราะจะไม่เกิดประโยชน์แล้วอาจจะเกิดโทษกับเราเพราะเขาจะเกิดความโกรธเกลียดเราขึ้นมาได้แทนที่จะอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขก็จะอยู่กันแบบโกรธเกลียดกันเพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีความปรารถนาดีอยากจะให้สิ่งที่ดีกับเขาแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับได้เราก็ต้องทำใจให้เป็นอุบเบกขาคืออย่าไปพูดเพราะคนที่จะรับความดีงามได้นี้ก็เป็นเหมือนภาชนะที่มีที่มีขนาดที่ไม่เท่ากัน ภาชนะที่เราเห็นก็มีหลายระดับหลายขนาดมีถ้วยมีชามมีกละมังอย่างนี้หรือถ้ามีกระป๋งก็มีหลายขนาดมีถังมีแท้งมีหลายขนาดด้วยกันใจของคนเราที่จะรับความดีได้นี้ก็มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับว่าได้บำเพ็ญบุญบารมีในอดีตชาติมามากน้อยเพียงไร ถ้าได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีมามากก็จะสามารถรับธรรมะได้มากถ้าบําเพ็ญบุญบา ร, รมีมาน้อยก็จะรับรับได้น้อยแล้วถ้าไม่เคยบําเพ็ญบุญบา ร, รมีมาเลยก็จะรับไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงทรงแบ่งคนไว้เป็นบัวสี่เหล่าด้วยกันพวกที่ได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีมามากนี้ สามารถรับธรรมะขั้นสูงสุดได้อย่างง่ายดายพูดเพียงคำสงคำก็สามารถบรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้เลยส่วนพวกที่สองก็เป็นพวกที่มีภาชนะที่เล็กลงมาก็ต้องใช้ธรรมะที่เล็กลงมาต้องสอนหลายๆครั้งพูดบ่อยๆเข้าเขาก็จะเข้าใจแล้วก็บรรลุธรรมได้ ส่วนพวกที่สามนี่ก็มีภาชนะที่เล็กลงมาอีกก็ต้องใช้เวลาที่จะให้ธรรมะกับเขาเป็นเวลายาวนานกว่าเขาจะบรรลุได้ส่วนพวกสุดท้ายนี่เป็นพวกที่ไม่มีภาชนะที่จะมารองรับความดีเลยสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องความดีทั้งหลายก็ไม่สนใจจะเอาแต่เรื่องที่ไม่ดีจะชอบทำบาปทำกรรม จะชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องอบายมุกต่างๆเช่นชอบเล่นการพนันชอบเสพเสพสุรายาเมาชอบเที่ยวกลางคืนชอบความเกลียดคร้านชอบคบคนชั่วเป็นมิตรคนอย่างนี้ก็อย่าไปสอนให้เสียเวลาเพราะจะไม่เกิดประโยชน์แล้วกลับจะเกิดโทษกับเราเพราะเขาจะไม่ชอบที่หน้าเราและจะไม่ไม่เชื่อฝังเรา ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ธรรมะกับใครเราก็ต้องใช้ปัญญาสังเกตดูว่าเขารับได้หรือไม่ถ้าเราพูดทั้งสองครั้งแล้วเขาไม่ทำตามก็แสดงว่าเขารับไม่ได้ก็อย่าไปเหนื่อยอย่าไปพูดให้มากเดี๋ยวจะทะเลาะกันได้เราก็ต้องหัดทาใจให้เป็นอุเบกขา คืต้องยอมรับ ว, ว่าเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคนนั้นจะเป็นใครก็ตามคนที่เรารักเราเคารพเช่นพ่อหรือแม่เราหรือสามีเราหรือภรรยาเราหรือลูกของเราหรือเพื่อนของเราถ้าเขา เป็นอย่างนั้นแล้วเราพยายามบอกเขาแล้วว่ามันไม่ดีเขาควรที่จะแก้ไขแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็อย่าไปเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะจะเป็นโทษกับเราโดยเปล่าประโยชน์ความเดือดเนื้อร้อนใจของเรากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้ไปทำให้เขาดีขึ้นแต่อย่างใดก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไป ตามบืญตามกรรมของเขาสักวันหนึ่งเมื่อกรรมหมดเขาก็อาจจะมีหูตาสว่างขึ้นมาได้แต่ในตอนนี้เขายังมืดบอดอยู่ยังเป็นคนหูหนวกตาบอดอยู่พูดอะไรชื้ อ, อะไรให้ดูเขาก็มองไม่เห็นเขาก็ไม่ได้ยินพูดไปก็จะเสียน้ำลายปะปาเสียเวลาปะปะเราก็ต้องรู้จักทาใจให้เป็นอุเบกขา ไม่ใช่นั้นแล้วเราก็จะอยู่ในโลกด้วยความวุ่นวายใจเห็นคนนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาแากแยะดูว่าคนเรานี่ก็เป็นเหมือนผลไม้ผลไม้นี่ที่มีหลากหลายด้วยกันมีกล้วยมีส้มมีเงาะมีแตงโมมีทุเรียนอย่างนี้เป็นต้น คนเราก็เป็นเหมือนผลลมาเราจะให้คนที่เป็นส้มมาเป็นทุเรียนได้อย่างไรเราจะให้คนที่เป็นแตงโมมาเป็นสับปะรดได้อย่างไรเขาก็ต้องเป็นแตงโมตามตามบุญตามกรรมของเขาคนที่ไม่ดีเขาก็ต้องไม่ดีไปตามกรรมของเขาคนดีเขาก็ต้องดีไปตามบุญของเขาเช่นพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญบุญบารมีมามาก เมื่อเกิดมาก็ยายทําแต่ความดีอย่างเดียวแต่พระราชบิดาก็ไม่อยากจะให้ทําความดีอย่างเดียวอยากจะให้ทําความชั่วบ้างคืออยากจะให้เป็นกษัตริย์อยากให้เป็นมหาจากักรพรรดิแต่ถ้าเป็นมหาจากักรพรรดิก็ต้องไปทําสงครามก็ต้องไปฆ่าผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้านี้ได้ส่งบําเพ็ญบุญมามาก จนไม่มีความปรารถนาที่อยากจะฆ่าผู้ใดจึงไม่มีความปรารถนาอยากจะเป็นมหาจากักระพัดแต่อยากจะเป็นนักบวชมากกว่าก็าทรงสเสด็จออกบวชรักษาสินงปฏิบัติธรรมเพราะว่าจิตใจของพระองค์นั้นทรงได้มุ่งมาทางนี้อยู่แล้วตั้งแต่ในอดีตชาติจึงให้ไปทำบาปทำกรรมไม่ได้นี่คือเรื่องของ การมีคุณธรรมความดีงามไว้ภายในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้รักษาความดีงามของเราไว้ได้เวลาที่เราต้องพบปะกับเหตุการณ์ต่างๆพบปะกับคนต่างๆเราจะได้มีคุณธรรมนี้เป็นตัวพาให้เราตัวพาความประพฤติพาการกระทำของเรา ให้ถูกต้องให้ดีงามได้เช่นเวลาเจอใครก็ให้แผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ไม่ได้ให้แผ่ตอนที่เราสวดอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์แต่ให้แผ่ตอนที่เราเจอกันเจอใครก็ให้แผ่ด้วยการยิ้มย้ำทักทายถามสารทุกข์สุขดิบต่อกันแล้วถ้าเขาพูดหรือทำอะไรไม่ดีก็อย่าไปโกรธเขา ให้อภัยกับเขานี่คือเรื่องนี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนเวลาในอยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่ไปแผ่ตอนที่เราอยู่คนเดียวแล้วนั่งแผ่อย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นการแผ่อย่างนั้นเป็นการซ้อมเหมือนกับเราเป็นนักกีฬาเช่นนักมวยก่อนที่เราจะขึ้นเวทีเราก็ต้องซ้อมก่อนเราก็ต้องโชคกระสอบทรายก่อน แต่ตอนนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการโชคจริงการโชคจริงนั้นต้องรอขึ้นเวทีเวลาไปเจอคู่ต่อสู้ฉันใดการแผ่เมตตาก็ต้องแผ่ตอนที่เราเจอคู่อริของเราเช่นเจอคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้ได้ต้องยิ้มทักทายกับเขาให้ได้ถึงจะเรียกว่ามีความเมตตา ถ้าเราแผลแต่เฉพาะเวลาที่เราอยู่คนเดียวและเวลาเราเจอคนเราก็ทําหน้าบึ่งใส่เขาอย่างนี้แสดงว่าเราสอบตกเรายังไม่มีความเมตตาความเมตตาต้องเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในเหตุการณ์จริงแต่การซ้อมไม่ก่อนนี้ก็จําเป็นเราต้องเลือกถึงคนที่เราเกลียดที่นหน้าแล้วก็พยายามแผ่เมตตาให้กับเขาไปก่อน เผื่อเวลาเราไปเจอเขาเราจะได้แผ่ออกมาได้เหมือนกับทหารที่จะต้องซ้อมรบเอาไว้ก่อนพอถึงเวลาที่เจอศัตรูจะได้รู้จักวิธีต่อสู้กับศัตรูแต่การต่อสู้ของพวกเราของธรรมานี้ไม่ได้ต่อสู้ด้วยการทำร้ายล้างกันแต่ต่อสู้ด้วยการให้อภัยกันด้วยความมีเมตตาต่อกันถ้าเราสามารถ มีคุณธรรมทั้งสี่ประการไว้ภายในใจของเราได้เราจะสามารถทำตัวของเราให้เป็นคนดีได้จะไม่มีใครโกรธเราจะไม่มีใครเกลียดเราเพราะการมีความเมตตากรุณาโมฎิตาและอุเบกขานี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ใครเขาเกลียดเราได้ไม่เชื่อลองนำเอาไปปฏิบัติ ด, ดูก็พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงใช้ คุณธรรมทั้งสประการนี้ตลอดตลอดในชีวิตของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงไม่มีใครโกรธหรือเบียดมีแต่คนเคารพรักมีแต่คนนับถือมีแต่คนศรัทธาเลื่อมใสถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเคารักเราชอบเรารเคารพรามีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวเราก็ขอให้เรา สร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ไว้แล้วเราจะเป็นคนดีอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือเมตตากรุณามุนีตาและอุเบกขาให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป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 u h